การที่พวกเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้เราจําเป็นต้องมีที่พึ่งสองชนิดด้วยกันคือหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระรัตนไตรที่เราถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งชนิดที่หนึ่งและที่พึ่งชนิดที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าต้องการหนุดพ้นจากความทุกข์จําเป็นจะต้องมีที่พึ่งทั้งสองชนิดนี้ ขาดไปชนใดชนิดหนึ่งนี้ก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะที่พึ่งสองชนิดนี้มีหน้าที่ต่างกันชนิดที่หนึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีหน้าที่นำทางมีหน้าที่บอกทาง มีหน้าที่สั่งสอนให้เรารู้จักทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่งางๆส่วนอัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถนี้มีหน้าที่ดําเนินตามดําเนินตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ดําเนินตามก็จะไปไม่ถึง จุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเราจึงต้องมีที่พึ่งทั้งสองชนิดนี้ประกอบกันถึงจะทำให้มีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจาก กานเกิดแฉะเจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บอกทางเราจะไม่สามารถเดินไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลย เพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดตาบอดนี้คือตาในไม่ใช่ตานอกตานอกคือตาร่างกายนี้ไม่บอดเห็นอะไรต่างๆต่ที่บอดคือตาในตาทิพตานี้ถูกความมืดบอดแห่งความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ เ็นจุดคงจากเป็นดอกบัวที่ปกปิดความจริงของเหตุที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายพาให้เราไปทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่สามารถมองเห็นทางได้ด้วยตนเอง พอเปรียบเหมือนคนตาบอดเราจึงต้องอาศัยคนตาดีนำทางบอกทางเหมือนคนที่มีสายตาบอดทางร่างกายจะไปไหนมาไหนตามลําพังนี้ย่อมเป็นได้ยากลําบากถ้าไม่มีคนนําทางก็อาจจะต้องมีสุนัขนําทาง ถ้าไม่มีสุนาคก็อาจจะต้องมีไม้เท้าไม้คอยนำทางไปอย่างน้อยจะได้รู้ว่าข้างหน้านั้นมีอะไรบ้างมีหลุมหรืออะไรมีเสามีอะไรจะได้ไม่เดินไปชนนี่คือลักษณะของใจของพวกเราใจของพวกเรานี่แหละคือตาทิพตาใน ที่ตอนนี้ถูกความมืดบอดของโมหะอวิชชาโมหะคือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบอวิชชาคือความง่อเขาเบาปัญญาจึงต้องทำให้เราต้องเข้าหาผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นแหล่งของปัญญาเป็นแหล่งที่จะให้ความรู้กับเรา ในเรื่องการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกพวกเรานีจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้เลย เช่นในสมัยพุทธกาลสมัยที่ยังที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ส่งตัดสรู้สมัยนั้นไม่มีใครหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแต่พอพระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้แล้วได้พบทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว พระองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าได้ยินได้ฟังวิธีที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ท่นเหล่านั้นก็นําเอาไปปฏิบัติฟังจากพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากสามประการด้วยกันคือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหากามะตัณหาคือความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณห์มาเสพ ภวตัณหาคือการอยากได้มีอยากได้อยากมีสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นราบยศสนรเสริญตาหูจมูกลินกายร่างกายวิภวตัณหาคือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปไม่อยากเสียลาบยศสรรเสริญสุขไป ความอยากทั้งสามชนิดนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทำให้เราต้องไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพื่อจะได้หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้แต่สิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นสิ่งที่มีการเกิดแก่เจ็บตายได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไป ได้ร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วพอตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือเหตุที่พาให้เราต้องมาทุกข์กันคือความอยากต่างๆที่มีในใจพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดง ทำนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจพอเขานำเอาไปปฏิบัติตัดความอยากหยุดความอยากทั้งสามได้เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเหตุที่พาให้มาเกิดนั้นได้ถูกละงับได้ถูกทาลายไปแล้ว ก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อจากพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็เรียกท่านหนานี้ว่าพระอาหารหันตสาวกพระอาหารหันตสาวกก็คือผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเป็นพระอาหารหันตสาวกแปลว่า เป็นสิท์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจก็ปรากฏมีพรอาอรหันต์เป็นจำนวนอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปขึ้นมามากราบพระพุทธเจ้าในวันมาคบบูชา เจ็ดเดือนหลังจากที่ได้ท่งเริ่มต้นสั่งสอนแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะส่งตัดสรู้นั้นไม่มีใครได้เป็นพระอารหรันต์เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นพระอารหันต์เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังติดอยู่กับการเสพการต่างๆ ยังมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่แต่วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความสุขต่างๆที่พระองค์ได้ทรงรับจากการทําตามความอยากนั้นจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะได้เริ่มเห็นว่าร่างกายนั้นจะต้องแก่ ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปตอนที่พระองค์เสด็จออกไปนอกวังเพราะไม่เคยออกไปนอกวังเลยไม่ทราบว่านอกวังนั้นมีอะไรบ้างเวลาอยู่ในวังนี้พระราชบิดาพยายามห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังให้มีแต่คนหนุ่มคนสาว คนที่มีความแข็งแรงคนที่มีความสามารถที่จะสร้างความสุขต่างๆให้แก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพื่อไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ของของโลกเพราะกลัวว่าจะออกบวชเพราะอยากจะให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ เป็นทหารเป็นผู้นำเพราะว่าตอนที่เกิดมานั้นมีการทำนายไว้ว่าถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระราชบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชต้องการให้อยู่ในวัง ฉันจึงไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะมีความทุกข์ใจเพราะถ้ามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจกับการอยู่แบบเจ้าชายก็อาจจะคิดไปบวชจึงไม่ให้มีสิ่งที่จะทําให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความทุกข์ใจเข้าไปในวังเช่นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่เจ้าชายสิทธัตถะ ก็มีความสนใจมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แต่ในวังอยู่ไปนานๆนนก็เบื่ออยากจะรู้ว่าข้างนอกวังมีอะไรก็เลยให้มหาเล็กพาออกไปเที่ยวนอกวังก็เลยได้ไปเห็นความทุกข์ของสังขารร่างกายที่จะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับพระองค์ เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอเห็นก็ตกใจและพอทราบว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนเจ็บต้องเป็นคนตายเจึงทำให้พระองค์นี้เกิดความทุกข์ใจมากกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย เก็จะไม่สามารถมีความสุขได้จะมีแต่ความทุกข์ใจจึงทำให้พระองค์นี้ไม่สบายออกไม่สบายใจและนอกจากการที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วยังไปเห็นนักบวช ด, ด้วยก็เลยทราบว่ามีนักบวชที่เขา กำลังแสวงหาทางที่จะทำให้เขาไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายออพระองค์ก็เลยเห็นมีทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายออแล้วพอมีโอกาสตอนนั้นอายุยี่สิบเก้าปีพอดีเป็นจังหวะที่พระมมหสีได้คลอดราชโอรส ได้ทราบข่าวในยามดึกก็รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีความผูกพันกับพระราชโอรสพระองค์ทรงอุทธรณ์ว่าราหุแลแปลว่าบ่วงพอได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้ข้อพระราชโอรสก็ทรงอุทธรณ์ขึ้นมาว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้ว บวงที่จะผูกมัดให้พระองค์ติดอยู่ในวังต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์ทรงพิจารณาแล้วก็เลยทรงตัดสินพระทัยว่าต้องออกจากวังไปในคืนนั้นและต้องไม่บอกใครไม่ขออนุญาตใครเพราะถ้าไปบอกไปขออนุญาตย่อมไม่มีใครเขายอมให้ไปอย่างแน่นอนเลยต้องเล็ดลอดออกไปในคืนนั้น เพราะถ้าอยู่ต่อไปความผูกพันต่อพระราชโอรสก็จะทำให้ยากต่อการที่จะสละราชสมบัติได้พรองค์ก็เลยต้องออกไปเพราะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปหาทางที่จะทำให้ได้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ก็เลยสละราชสมบัติไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปนอกจากเครื่องอภรรที่ได้สวมใส่ไว้เท่านั้นหนึ่งชุดแล้วก็มีม้มาที่พระองค์ได้ทรงนั่งเพื่อออกไปสู่ชายแดนหลังหลังจากนั้นก็ทรงเดินต่อไปไปเพื่อไปหาผู้ที่รู้ที่จะได้สอนวิธี ที่จะทําให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปศึกษาอยู่กหลายสำนักก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งรู้ว่าสามารถดับความทุกข์ได้ชั่วคราวด้วยการทําจิตใจให้สงบเวลาจิตใจสงบจิตใจไม่คิดอะไรความทุกข์ที่เกิดจากความเกิด ความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปชั่วข่าวแต่พอออกจากความสงบมามาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ยังปรากฏอยู่ในใจไม่มีใครรู้ว่าอะไรทําให้เกิดความทุกข์ทําไมต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยต้องส่งค้นคว้าศึกษา หาสาเหตุจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่ามาจากความอยากนี้เองความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากจะอยู่เพื่อจะได้เสรีรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพราะองค์ก็เลยสรงพิจารณาแล้วก็ ใช้สติปัญญาที่พระองค์ได้ได้สร้างขึ้นมาเพื่อหยุดใจนี้ให้มาหยุดความอยากเวลาเกิดความอยากนี้ก็ใช้สติปัญญาหยุดมันไม่ไปให้มีความอยากเวลาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บก็หยุดมันพอหยุดมันใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย พระ อ, องค์ก็เลยส่งดัดสรุปพะอริยาาสัจสี่ขึ้นมาคือความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ใจและของการดับความทุกข์ใจอาริยาาสัจสี่ข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจนี้คือการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองเวลาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพรากจากกัน ต้นเหตุก็คือความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพลาดอยากกันอยากยอยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆแต่มันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ไปได้เพราะธรรมชาติของร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับอนัตตา ไปห้ามมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามไปสั่งดินฟ้าอากาศได้ก็ไม่มีใครไปห้ามไปสั่งร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้อพอทรงเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายห้ามเขาไม่ได้อแต่สิ่งที่ห้ามได้ก็เกิดความอยาก หยุดความอยากเพราะหยุดความอยากยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยากหรือไม่อยากร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ถ้าอยากแล้วก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่ทุกข์พระองคาก็เลยส่งหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายะ ก็ไลยไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆพอหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วใจของพระองค์ก็ไม่ทุกข์กับความแก่เจ็บตายต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกาย หาความสุขอีกต่อไปเพราะเห็นว่าการใช้ร่างกายนี้นาไปสู่ความทุกข์เพราะร่างกายจะสามารถหาความสุขให้ได้ชั่วคราวพอร่างกายตายไปความสุขที่จะหาได้จากร่างกายก็หมดไปแล้วพอไม่มีร่างกา ย, ก, ยก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต้องไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีก ในที่สุดพระองค์ก็เลยเห็นด้วยปัญญาว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์การใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้เป็นทุกข์ให้หาความสุขจากการไม่ไม่มีความอยากพอใจไม่มีความอยากเราใจกลับเกิดความสุขขึ้นมาที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆ ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขอีกต่อไปนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นคนแรกก็สามารถสั่งสอนให้คนที่ไม่รู้วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ให้รู้ได้และให้เขาปฏิบัติได้ขอเขาได้ยินได้ฟังคำสอนเขาก็ปฏิบัติเขาต้องปฏิบัติเอง นี่คือหน้าที่ของอัตตาหิอัตโนนาโถผู้ที่ต้องการดุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องไปหยุดความอยากเองต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าจะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายไม่ได้ร่างกายนี้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์แต่ถ้า ไม่ไม่ได้อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้พอเขาได้ทราบจากพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็นำอาอกไปหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเขาใจของเขาก็เลยหายทุกข์หายอยากหยุดความอยากทุกครั้งที่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ อยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดมันนะก็เลยได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามพระพุทธเจ้านะมีคนมีผู้ที่ได้หลุดพ้นปรากฏขึ้นมาตามลำดับเป็นจำนวนมากมายก่ายกองนะพอหลังจากท่านเหล่านี้ได้หลุดพ้นแล้วท่านก็ไปช่วยเผยแพ่ความรู้นี้ให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอ เห็นว่าใครได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็สั่งไว้ว่าให้ไปสอนผู้อื่นต่อและให้แยกกันไปคนละทิศคนละทางอย่าไปเป็นคู่อย่าไปด้วยกันเพราะจะกระจายความรู้นี้ได้ช้าถ้าไปคนละทิศคนละทางนี้จะไปกระจายความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้กว้างขวางยิ่งขึ้นพระ อาหารหันตสาวกหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ไปเผยแผ่ธรรมไปกันคนละทิศคนละทางพอไปเจอใครที่สนใจก็สั่งสอนเขาบอกวิธีให้เขาทราบพอเขาปฏิบัติตามได้เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือการทํางานของที่พึ่งสองชนิดนี้ชนิดแรกก็เป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนะ บอกให้รู้ทางพอผู้ฟังได้รู้แล้วก็ต้องใช้อัตตาหิอัตโนนาโถผู้ฟังจะต้องปฏิบัติต้องทำตามคำสอนผู้สอนไม่สามารถปฏิบัติให้กับผู้ฟังได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอเฉพาะตนผู้สอนก็ได้ทำแล้วแต่ทำได้เฉพาะตนเอง ทำให้แทนคนอื่นไม่ได้เพะพระพุทธเจ้ามาทำแทนพวกเราไม่ได้เหมือนกับการรับประทานอาหารเราต้องรับประทานอาหารเองคนอื่นรับประทานอาหารแทนเราไม่ได้เช่นเพื่อนฝูงไปกินอาหารที่ร้านแล้วกลับมาบอกว่าวันนี้ได้กินอาหารให้เธอแล้วนะอิ่มไหมไม่มีวันอิ่มเพราะว่าเราไม่ได้ไปรับประทานกับเขา เราต้องไปกับเขาไปรับประทานกับเขาเราถึงจะอิ่มเหมือนเขาเขาจะมารับประทานแทนเราไม่ได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติเพื่อให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เช่นเดียวกันจะให้คนอื่นปฏิบัติแทนเราไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองเราจึงต้องเป็นที่พึ่งของตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแต่เราก็ต้องมีที่พึ่ง คือผู้บอกวิธีการปฏิบัติให้กับเราถ้าไม่มีคนสอนเราก็จะไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและวิธีจะหยุดความทุกข์ของเรานี้หยุดได้อย่างไรนี่คือการทำงานของที่พึ่งสองชนิดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพุทธทางธรรมังสังฆังสรณนังกัจฉามิความหมายก็คือ เราจะยึดพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีหรือพระอริยสงสาวกก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เราจะมานั่งอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นความหลงผิดเป็นโมหะเป็นอวิชชา เพราะไม่ได้มาศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่อย่างไรชาวาพุทธเรามีจำนวนมากมายที่ไม่ได้ศึกษาที่ไม่รู้ว่าหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอย่างไรก็เลยกลับไปคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่จะโดนบันดาลสิ่งต่างๆให้กับเราสิ่งที่เราอยากได้ เราอยากได้อะไรเราก็กราบพระแล้วก็ขออธิษฐานขอขอให้เราแค็งแกรางปลอดภัยใ่ไหมห้อยพระกันเต็มคอเพราะคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสามารถปกป้องรักษาชีวิตของเราได้อันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครจะมาปกป้องรักษาชีวิตของเราได้ชีวิตของพวกเราทุกคน จะต้องเจอวันตายไม่ช้าก็เร็วต่อให้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนมาห้อยคอก็ไม่สามารถที่จะมาปกป้องรักษาชีวิตของพวกเราได้นี่คือความเข้าใจผิดไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่ไว้ทำอะไรท่านมีหน้าที่บอกทาง ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความตายเราก็ต้องศึกษาวิธีว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องตายวิธีไม่ต้องตายก็คือต้องอยากกลับมาเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนคราวนี้ครั้งนี้ไม่มีใครหนีพ้นความตายได้คนที่มาเกิดแล้วอย่างพวกเรานี้ไม่มีใครหนีพ้นความตายได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านก็ห น, นีพ้นความตายไม่ได้เพราะมันเป็นผลที่ตามมาจากการเกิดแต่เราจะไม่ต้องตายอีกต่อไปถ้าเราไม่กลับมาเกิดใหม่ชาติหน้าถ้าเราไม่เกิดไม่มีชาติหน้ามันก็ไม่มีความตายในชาติหน้านี่คือหน้าที่ของพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ เหมือนครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนตามโรงเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆเราไปเรียนเพื่อจะได้รับวิชาความรู้ที่เราจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดรำเนินชีวิตของเราแต่วิชาทางโลกนี้เป็นวิชาที่เป็นความรู้ที่จะสอนให้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้น ทำให้เราสามารถไปทำงานหาเงินหาทองมีเงินทองก็มาจุนเจือเลี้ยงดูร่างกายของเราที่ต้องการปัจจัยสี่ถ้าเราไม่ไปไม่มีความรู้เราก็จะไปทำงานที่หาปัจจัยสี่ได้ยากหาหาไรายได้ได้น้อยคนที่ไม่มีความรู้มีแต่กำลังกายบางจะต้องใช้ กําลังกายนี้เป็นเครื่องมือหากินพวกที่ใช้แรงงานพวกที่รับค่าแรงขั้นต่ําพวกนี้ไม่มีวิชาความรู้แต่พวกที่ไปเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยมีวิชาความรู้ก็จะไปทํางานที่ใช้ความรู้ไม่ต้องใช้กําลังกายใช้บ้างแต่ไม่มากใช้ความรู้เป็นหลักได้เงินเดือนมากกว่า ผู้ที่ใช้แต่กำลังกายนี่คือวิชาความรู้ทางโลกที่เราไปเรียนกันตามโรงเรียนต่างๆเป็นวิชาความรู้ที่จะมาให้เรารักษาร่างกายของเราไม่ให้ทุกข์ยากลำบากแต่เราไม่สามารถที่จะใช้วิชาความรู้นี้มาดับความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ วิชาความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ที่เขาสอนกันตามสถาบันการศึกษาต่างๆนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรไม่มีใครรู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าที่เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากของเรานี่เองแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้การจะหยุดความอยากนี้ก็ต้องอทำบุญทาทานต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมเพราะนี่คือวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจนี่ละ่ะคือความรู้หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านทาหน้าที่อันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนทางไปสู่การหลุดพ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้บันทึกกันเอาไว้ก็เป็นคําสอนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปแล้ว เราก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ในคําสอนนี้เองพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดาจากครูบาอาจารย์เพราะว่าเราอยู่ในคําสอนของเรานี่เองคําสอนของเรานี่แหละคือตัวแทนของเราเป็นเหมือนตัวเราเหมือนตัวเราอยู่กับ เหมือนกับได้อยู่กับเราเหมือนกับได้ฟังจากปากเราพระธรรมคําสอนไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีพระธรรมคําสอนแล้วนอกจากพระพธรรมคําสอนแล้วเราก็มีพระอริยสงสาวกผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพน้นที่จะสามารถสอนเราได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนมานี่คือหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสง์ เป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะโดนบันดาลให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้เอยากได้สามีอยากได้ภรรยาก็ไปขอพระอยากได้ลูกก็ไปขอพระอยากได้เงินทองก็ไปขอพระอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าขอได้ก็รวยกันไปทุกคนแล้ว เป็นใหญ่เป็นโตกันไปทุกคนแล้วแต่ของพวกนี้ขอไม่ได้เพราะเป็นของที่ต้องหาเองที่เรียกว่าต้องใช้อัตตาหิอัตโนนาโถต้องมาขอตัวเราถ้าอยากได้อะไรอย่าไปขอคนอื่นขอตัวเราบอกตัวเราต้องหาเองอยากอยากได้เงินก็ต้องไปหาเงินไปทำงานถ้าไม่มีความรู้ก็ไปเรียนหนังสือหาความรู้ ได้ความรู้แล้วก็เอาความรู้นี้ไปหางานทำพอทำงานแล้วก็จะได้เงินทองเราอยากได้อะไรนี้เราอย่าไปพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาพึ่งอัตตาหิอัตตาโนนาโถคนที่มีอัตตาหิอัตตาโนนาโถจึงมักจะเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่เจริญก้าวหน้าเพราะเขาเป็นผู้ที่ เขาเป็นผู้ที่จะต้องหาเองไม่มีใครหาให้เขาได้นอกจากพ่อแม่ถ้ามีพ่อแม่ที่ร่ำรวยพ่อแม่ก็หาเงินหาทองให้ลูกได้แต่พอพ่อแม่ตายไปถ้าไม่รู้จักหาเงินหาทองเองเดี๋ยวเงินทองที่พ่อแม่ให้มาก็จะหมดได้แล้วก็จะยากจนได้ แต่ถ้ารู้จักวิธีหาเงินหาทอง mm. ก็จะสามารถหามาได้อยู่เรื่อย mm. ๆยันถ้าอยากจะได้อะไรอย่าไปขอพระพุทธธรรมพระสงค์ mm. ให้มาขอ mm. อัตตาหิอั ต, ตโนนาทถอให้มาขอที่ตัวเราเองด้วยการกระทาของเราเราอยากได้อะไรเราก็ศึกษาดูว่าวิธีที่จะได้สิ่งนั้นจะได้มาอย่างไร ต้องใช้เงินก็ไปหาเงินมาพอหาเงินมาได้แล้วก็สามารถใช้เงินนี้ซื้อสิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้ามานั่งกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็นั่งอธิษฐานขอให้ได้สิ่งนั้นมาขอไปจนวันตายก็จะไม่มีวันได้นี่คือหน้าที่ของอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ต้องมีความขยันหมั่นเพียรการที่จะมีอัตตาเหตุตโนธาโถได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้ามีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็สามารถได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมความพยายามอยู่ที่ไหนความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่ น, นแม้แต่การจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถนี้ต้องมีความเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรก็เกิดจากอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้กระทาความเพียรไม่ใช่ให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากระทาความเพียรให้กับเรา ท่านทำความเพียรให้กับตัวท่านเท่านั้นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เพราะความเพียรของพระพุทธเจ้าป้าอริยสงสารกหลุดพ้นจากความทุกข์ก็หลุดพ้นเพราะความเพียรของท่านนไม่ได้หลุดพ้นวยคามจากความเพียรของผู้อื่นของใครของมันอย่างนั้นเราอยากหลงผิดเข้าใจผิดน อย่าไปคิดว่าพอเรามีเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้สิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติยังไม่ได้เราได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเราได้แผนที่เราได้รู้จักวิธีที่จะทำสิ่งที่เราจะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมาออถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บอกวิธีให้กับเรา พอท่านบอกวิธีให้กับเราแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเพียรปฏิบัติตามที่ท่านสอนวิธีดับทุกนี้พระพุทธเจ้าก็สอนะะว่าต้องทำทานต้องทาทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาปฏิบัติธรรมทำไมต้องทำเพราะการทำทานนี Party, ้เป็นการหยุดความอยากส่วนหนึ่ง การรักษาศีลก็ดับความอยากอีกส่วนหนึ่งความอยากมันมันมีไปหลายทิศหลายทางด้วยกันความอยากที่ไปทางทิศใต้ก็ต้องมีที่กั้นไว้ไม่ให้มันไปทางทิศใต้มันจะไปทางทิศเหนือก็ต้องมีที่กั้นไม่ให้มันไปความอยากของเรามันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันความอยากที่เราใช้ทานหยุดนี่คืออะไร ก็คือความอยากที่เราจะใช้เงินทองไปทําอะไรต่างๆไปซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องมีไม่ต้องซื้อแต่อยากได้อยากมีเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือของเที่ยวของเล่นต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีเราก็ไม่ตายเราไม่ถือว่าเป็นของจําเป็นเป็นของฟุ่มเฟือยที่เราไม่ควรที่จะไป อยากกันเพราะการอยากกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทำให้เราติดเป็นเหมือนยาเสพติดพอติดแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้ซื้อของที่เราอยากจะซื้อเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราอยากจะซื้อของเหล่านี้ไปทาบุญแทนทำทานเอาไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น บรรเทาความทุกข์ยากลาบากให้แก่ผู้อื่นเราก็จะหยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยได้แล้วต่อไปถ้าเราไม่มีเงินทองจะซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเราเอเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเวลาเราไม่มีเงิน แต่ความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มันจะมีมันจะไม่หมดไปกับเงินทองมันจะทำให้เราทุกเวลาเราเห็นของที่เราอยากไปซื้อแล้วเราไม่มีเงินจะซื้ อ, อ น, นี่คือการทำทานนี้มีเพื่อที่จะให้เราหยุดใช้เงินทองตามความอยากเงินทองนี้มีไว้ใช้กับความจำเป็นเช่นไว้ซื้อของที่จำเป็นจะต้องมีจริงๆเช่นอาหารเครื่องโน้หม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีก็ต้องซื้อมาถ้าซื้อของตามความจำเป็นนี้มันจะไม่ปิดเหมือนกับความอยากพอมีพอแล้วมันก็หยุดซื้อได้ซื้อของตามความอยากนี้มันไม่มีคำว่าพอได้ของมามากน้อยเท่าไหร่ก็ยังอยากได้ของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนี่คือการหยุดความอยาก หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการใช้เงินทองถ้าจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้เอาไปทำบุญทำทานแทนแล้วต่อไปความอยากนี้ก็จะหายไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะหายไปหมดกำลังไปถ้าเราทําตามความอยากมันก็จะกลับมาเรื่อยๆแล้วกลับมาแรงขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะ น, นี่คือหน้าที่ของการทำทานทำทานเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความอยากที่จะใช้เงินซื้ออะไรต่างๆเพราะว่าซื้อเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอและจะต้องมีวันที่เราจะไม่มีเงินซื้อของที่เราอยากซื้อแล้วมันจะทำให้เราต้องทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญนอกจากหยุดความอยากแล้วมันยังทำให้เราเกิดความอิ่มใจขึ้นมา เวลาทำบุญทำทานแล้วเราเกิดความอิ่มใจสุขใจไม่รู้สึกอยากจะได้อะไรไม่อยากจะซื้ออะไรถ้าอยากจะซื้อก็เอาไปทำบุญเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปรับรองได้ความอยากจะเอาเงินไปซื้อของไม่จำเป็นต่างๆนี้มันจะหมดไปแล้วเราจะได้สบายเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของตามความอยากอยู่เรื่อยๆ เราจะได้มีเวลาที่จะเอาเวลาของเรามาต่อสู้กับความอยากชนิดอื่นต่อไปความอยากชนิดที่สองที่เราจะต่อสู้ก็คือความอยากที่จะทำบาปเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีนี่เรามักจะอยากจะทำบาปใครพูดไม่ดีก็อยากจะตอบโต้เขาใครทำอะไรใครทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็อยากจะไปทำร้ายเขาไปทำบาป เวลาไปทำบาปมันก็จะทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาะในเวลาอยากได้ของอยากซื้อของแต่ไม่มีเงินซื้อก็ไปอยังอยากย่าได้เงินอยู่แต่ไม่สามารถหาเงินได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็จะไปทำบาปาไปทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวง อ, อันนี้เราก็ต้องหยุดมัน เพราะว่าได้ได้เงินมาได้ของมามันไม่คุ้มกับความทุกข์เลที่เราจะต้องได้รับเพราะเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายใจเราจ ะ, ะหงุดหงิดใจเราจะกั ง, งวลวิตกหวาดกลัวกลัวจะต้องถูกจับไปลงโทษกลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราทำบาปเพราะเราจะกลายเป็นคนหน้ารังเกียจไปไม่สวยงาม เราอยากจะให้คนชอบเรารักเราแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนทำบาปเขาก็จะไม่ชอบไม่รักเราเราก็เลยกลัวไม่สบายใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากที่จะทำบาปได้เราก็จะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะระ ง, งับไปหายไปเราจึงต้องรักษาศีลกัน อตอนต้นกายรักษาศีลขั้นต่ำก่อนคือรักษาศีลห้าพอเรารักษาศีลห้าได้หยุดความอยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมโชราย า, มาเมาได้เราก็มาหยุดมารักษาศีลเพิ่มอีกสามข้อเพื่อเราจะได้หยุดความอยากที่ละเอียดกว่าศีลห้าที่จะห้ามได้คือความอยากเที่ยว ยังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เอถึงแม้ไม่มีเงินทองบางทีก็ยังขอให้ได้ออกไปเดินเที่ยวก็ยังดีเอถ้าไม่มีเงินทองที่จะไปเที่ยวแต่ถ้าเรามาถือศีลแปดได้เราก็จะได้หยุดความอยากไปเที่ยวได้หยุดความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วจะทําให้เรา มีเวลาที่จะมาหยุดความอยากทั้งหมดได้ด้วยการมาปฏิบัติธรรมด้วยการมานั่งสมาธิควบคุมความคิดเพราะความคิดนี่แหละเป็นผู้นำความอยากพอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เกอดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความอยากที่จะได้สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างความอยากทั้งหมดเราต้องหยุดที่ใจหยุดที่ความคิดด้วยการใช้สติหยุดมันหรือบังคับให้มันคิดในสิ่งที่ไม่เกิดความอยากเช่ในให้คิดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรามีพุทโธแทนความคิดอย่างอื่น พุทโธนี้จะไม่ทำให้เกิดความอยากแต่จะทำให้ความอยากหยุดจะทำให้ใจสงบแล้วพอใจสงบความอยากหยุดทำงานเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปทําความอยากต่างๆนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการฝึกสตินั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเราจะมีความสุขมาก แล้วเราจะได้ใช้ความสุขนี้แทนการหาความสุขตามความอยากต่างๆ ต, ต่อไปเวลาเราเกิดความอยากเราก็จะได้ไม่ทําตามความอยากได้ถ้าเรารู้ว่าการทําตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจเพราะจะนำไปสู่การพัดพลาคจากกาันจะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตาย เราก็จะไม่ทำตามความอยากได้เพราะเรามีความสุขในตัวเราเรามีความสุขในความสงบเนอะพอมันอยากเราก็ทำใจให้สงบเสียพอใจสงบความอยากก็หยุดไปไม่ต้องไปทำตามความอยากแล้วความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาเดถ้าเราทำอย่างนี้ไป ต่อไปความอยากทั้งหลายที่มีในใจของเราก็จะหมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเองพระพุทธเจ้าทาแทนเราไม่ได้พระอริยสงสารวกทาให้กับเราไม่ได้เราจึงต้องมาทำทานกันมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบแล้วก็มาสอนใจให้ฉลาด ให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการนำพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆเกิดจากการทำตามความอยากนี้เองถ้าหยุดทำตามความอยากได้แล้วใจจะสงบแล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่านิพานนี้ก็คือใจที่ไม่มีความอยากหมดสิ้นความอยากพอใจไม่มีความอยากแล้วก็เป็นนิพาน เป็นบรมมาสุขขึ้นมานิพานังปัลละมังสุขขังเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนิพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็คือใจของเรานี่แหละคือนิพานใจที่ไม่มีความอยากที่เราได้กาจัดด้วยการทำทานด้วยการนักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากเรียก ว, ว่าทานศีลภาวนานอันนี้คือ สิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรียนที่อื่นจะไม่มีใครรู้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่มีใครรู้เรื่องของการทำทานรักษาศีลภาวนาว่ามีไว้เพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรเพราะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆมีแต่ที่พุทธศาสนาเท่านั้นที่จะมีการสอนให้ทาทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนา ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องไปเรียนก่อนไปศึกษาก่อนว่าทำทานเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรภาวนาเพื่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อหยุดความอยากตั้งสามนี่เองหยุดกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่และวิภาวะตัณหาการไม่การอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ เช่นความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่คือสิ่งที่เราต้องมาหยุดกันและสิ่งที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็คือการทำทานการรักษาศีลแล้วก็การภาวนาการฝึกสมาธิทำใจให้สงบเรียกว่าสามถภ า, าวนาพอมีความสงบแล้วก็สามารถที่จะสอนใจให้เลิกใช้ความอยากได้ สอนใจด้วยปัญญาที่พระเจ้าเจ้าได้ส่งคนพบว่าการทำตามความอยากเป็นการพาให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกันนี่คือเรื่องของสาระสองชนิดด้วยกันคือพระรัตนตใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาร ะ, อ, ะอันดับ 1. อันดับสองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราก่อนพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้อัตตาหิอัตโนนาโถนี้ต่อไปเรียนรู้แล้วว่าต้องทำทานเราก็ต้องทำทานเวลาที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องซื้อ ถ้าอยากจะใช้เงินก้อนนี้ก็เอาไปทำบุญดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าเพราะจะสกัดความอยากได้แล้วจะสร้างความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้ทำให้อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วต่อไปก็ไม่ต้องทำงานมากเพราะถ้าเราใช้เงินน้อยเราก็ไม่ต้องไปทำงานมากเราก็จะได้มีเวลามา ปฏิบัติทาได้มารักษาศีลได้เอ่งั้นขั้นตอนนี้เราต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นใช้เงินเพื่อหยุดความอยากอย่าใช้เงินเพื่อรับใช้ความอยากอย่าตอบสนองความอยากเพราะการตอบสนองความอยากมันไม่ได้ทำให้ความอยากมันหมดไปมันอยากจะมีมากขึ้นซื้อของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้ออีกแต่ถ้าไม่ซื้อวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่อยากจะซื้อ ถ้าอยากจะซื้อก็อย่าเอาเงินที่จะไปซื้อนี่เอาไปทําบุญมันก็จะซื้อไม่ได้พอมันซื้อไม่ได้ต่อไปมันก็จะไม่อยากซื้อเองเพราะเมื่ออยากทีไรก็ไม่ได้ซื้อสักทีต่อไปความอยากซื้ออะไรต่างๆมันก็จะหายไปหยุดไปแล้วเราก็จะได้มาหยุดความอยากที่จะทําบาปเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองมาซื้อข้าวซื้อของต่างๆได้ พ่าเมื่อเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองไปซื้อของตามความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําบาปนะที่เราทําบาป ก, กันก็เพราะเรายังอยากจะได้เงินได้ทองกันมาเพื่อเราจะได้เอาไปซื้อของตามความอยากต่างๆนี่เองนี่มันเป็นขั้นบันไดมันจะสนับสนุนกันถ้าเราทําทานได้แล้วมันก็จะทําให้เรารักษาศีลห้าได้ รักษาศีหน้าได้เราต่อไปก็จะรักษาศีแปดได้รักษาศีแปดได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาเดินจยงก้มนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถะ ภ, ภาวนามาทำใจให้สงบได้เมื่อเราจําใจให้สงบเราก็จะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆเราก็จะสามารถ หยุดความอยากต่างๆได้เวลามีความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจเราว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแล้วทําให้เราต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปอพอพอได้ปัญญาแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากได้อะไร ความอยากก็จะหายบวชไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมีกันถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารณะเป็นที่พึ่ง และเราต้องมีอัตาหิอัตานาโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งเพราะเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนและพระอริยสงสาวก เ, เป็นผู้สอนเป็นผู้บอกทางพอท่านสอนท่านบอกทางแล้วเรารู้ทางแล้วเราก็ต้องเดินไปเองท่านเดินไปให้กับเราไม่ได้เราก็ต้องเดินไปเอง การเดินไปเองการกระทำตามคำสอนนี่ก็คือเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถพอเราได้ทําตามคําสอนแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับต่อไปนี่คือวิธีที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็คือ การมีที่พึ่งทั้งสองชนิดนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกทางแล้วมีอัตตาฮิอัตโนนาโถเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้เดินทางไปถ้าเรามีที่พึ่งทั้งสองอันนี้แล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ท่านจงนาเอาอที่พึ่งทั้งสองชนิดนี้ที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ เอาไปพินิพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคาร เอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเเอปุเรงตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุ มาเตภาวัตวันตรายุสุขีทีคายุโกภาวะอะพวาธนาศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวะาวัาติอายุวันโนสุขังภาลาัต่อจากนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไปจนถึงเวลาเลิกประชุมเลยแต่พอเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตงดยธถามถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองจะเขียนคำถามส่งมาให้วิทยากรเจ้าหน้นาที่อ่านให้ฟังให้ก็ได้ถ้าไม่อยากจะมาถามเองแต่ขออย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมแล้วเพราะไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะต้อง ไปทำอะไรอย่างอื่นต่อ ต, ตอนนี้อยากจะถามถามได้ในช่วงนี้วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กมีสามร้อยสามสิบหก4 4 1นค่ ะ, 89, 4, 4คะอ่าวัแปดสิบเก้าลนงสี่พันสี่รุอยสิบค่ะห้าคนนะ แตเดี๋ยวจะลองไปลองระบบแบบจริงคะแต่มากกว่านั้นไม่ได้ตอนนี้ได้ครับสามารถทำได้ถึง500ร้อยคนห้าร้ต้องดึงสมาชิกเข้ามาต้องเข้ามาเข้ามาในกลุ่มเหรอเดี๋ยวต้องไปปรึกษาพระบอมเรื่องการเป็นนัดมินกลุ่มนะฮะจะให้ใครเข้ามายังไงมีคำถามไหมมีคำถามจาก Facebook นะคะจากคุณพิพัฒพงค์ค่ะกราบนรรมสการพระอาจารย์ เราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรให้จิตละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมดับจำเป็นหรือไม่ที่จิตต้องละเอียดจนลมดับถึงจะพิจารณากายแล้วการพิจารณากายนี้ใช้นึกคิดเอาได้ไหมหรือต้องใช้ตาทิพย์ในการพิจารณากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพคือการดูลมไปลมละเอียดลมละเอียดมันก็จิตก็จะละเอียดตามไปเราไม่ต้องไปบังคับให้มันละเอียด เพียงแต่ขอให้เราคอยดูลมไปเรื่อยๆพ่าเวลาถ้าเราดูลมแล้วเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะสงบตัวลงจิตก็จะละเอียดลงลมหายใจก็จะเบาลงแล้วเดี๋ยวจิตรวมลมหายใจก็จะหายไปเวลาจิตรวมแล้วนงน่งสงบตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาพิจารณาปัญญาอันนี้ต้องปล่อยให้จิตสงบไป จนกว่ามันจะถอนออกมาถ้ายังสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งอย่าไปดึงความคิดปรุงแต่งออกมาพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาอะไรก็ตามเพราะตอนนี้ไม่ใช่เป็ น, ว เ, ปนเวลาจะพิจารณาร่างกายเวลาจะพิจารณาต้องรอให้จิตออกจากสมาธิก่อนการนั่งสมาธิเป็นการพักผ่อนเป็นการเติมน้ำมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ เวลาเราชาร์จมือถือนี่เรามักจะไม่ใช้งานเวลาเราจะนอนเราก็ชาร์จมือถือทิอ้งไว้ตอนเช้าตื่นขึ้นมามือถือก็เต็มแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วเราก็เอาไปใช้งานต่อไปได้ในเวลาชาร์จแบตเวลาชาร์จแบตของใจคือเวลาทําสมาธิไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน พ อ, อ, อจากสมาธิแล้วพอใจเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มาพิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาได้หลายเรื่องแล้วแต่เราอยากจะพิจารณาเรื่องไหนก็ได้ขอให้พิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์ก็แล้วกั น, กนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดหรืออย่าไปมีถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกข์ ถ้ามีแล้วก็ต้องทุกข์เพราะจะต้องมีการจากกันให้คิดอย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิแต่เวลานั่งสมาธินี้ห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้พิจารณาต้องการให้จิตนิ่งต้องการให้จิตได้พักผ่อนเหมือนร่างกายเวลานอนหลับนี่เราไม่เราห้ามไม่ทำงานใช่ไหใครมาปลุกไปทำงานนี่ไม่ได้ใช่ไหถ้านอนไม่พอนี่ตื่นขึ้ น, นมาเดี๋ยวมันงดเยดมันจะไม่มีกาลังทางาน ยิ่งเวลาคนนอนหลับเราไม่ไปปลุกเราปล่อยให้เขาหลับไปจนกว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเองพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วนี่ก็บอกเขาได้ไปทํานู่นทํานี่นะเขาก็จะไปยิ่งใดจิตของเราเวลาทําสมาธิไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเวลาทําสมาธิเป็นเวลาที่ต้องการให้จิตสงบให้นิ่งให้มีกําลังเพราะความนิ่งนี่แหละคือพลังของจิตความสุขของจิตก็อยู่ที่ความนิ่งแล้วพอมีความ สุขมีความนิ่งแล้วมีพลังแล้วก็จะสามารถเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี่ไปฆ่ากิเลสได้การเจริญปัญญานี้เพื่อไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ให้รู้โกโก้เฉยๆรู้แล้วจะได้ตัดเวลาอยากได้อะไรก็จะบอกว่าเป็นทุกข์นะอยากได้มาแล้วเดี๋ยวมันทุกข์นะเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดมันเสียไปเราก็เสียใจถ้าไม่ได้ไม่มีก็ไม่ต้องทุกข์กับมัน ได้แฟนมาเดี๋ยวต้องทุกข์กับแฟนนะเดี๋ยวแฟนเปลี่ยนไปแฟนไม่ซื่อสัตย์แฟ น, ไ, แฟนไปแอบมีแฟนใหม่ก็ทุกข์แล้วหรือแฟนดีแล้วก็ทุกข์กับความหวงเขาแล้วเขาดีแล้วก็หวงห่วงเขาแล้วพอเขาไปพูดไปคุยกับใครหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วดังนั้นอย่าไปอยากได้อะไรต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้จะทาให้เราต้องทุกข์ต่อไป แล้วเราจะได้หยุดความอยากได้หยุดความอยากได้เราก็จะทําให้ใจเราสบายไม่ต้องไปดินน่นนอนไม่ต้องไปวุ่นวายอยู่เฉยๆก็มีความสุขสุขความการที่ได้สิ่งต่างๆมาเสียอีกอันนี้ต้องใช้ปัญญาหลังจากที่เราออกมาแล้วออกจากสมาธิแล้วถ้าจะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่สวยงามเวลาแก่สวยงามไหม เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าดูไหมเวลาตายไปหน้าดูไหมเวลาขึ้นอืดเนี่ยเวลาพองเนี่ยเวลาเน่าอย่างนีร่างกายของเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปมันไม่น่าดูน่าชมหรือจะดูข้างในก็ได้ดูตับไตไส้พุงดูปอดดูหัวใจดูตับดูโครงกระดูกมีอยู่ในร่างกายที่ที่เราว่าสวยงามนี่แหละมันมีของไม่สวยงามซ่อนอยู่ ที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเห็นตอนต้นก็ใช้ความนึกคิดไปก่อนนึกคิดไปต่อไปมันจำได้มันก็จะเป็นเป็นความรู้ที่ติดไปกับใจเป็นเหมือนตาทิพย์ไปมองใครนี่เหมือนเป็นเอ็กซาเเหมือนถ่ายเอ็กซเเลมองใครนี่เห็นหมดเลยเห็นโครงกระดูกเห็นกะโหลกศีรษะไม่ใช่เห็นแต่ปากจมูกคิ้วมองเข้าไปเห็นกะโหลกด้วย ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นน้ําอะไรต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ําเสลเห็นหมดเนี่ยเห็นด้วยปัญญาถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นความทรงจําขึ้นมาเลมือนกับที่เราหัดท่องสูตรคูณตอนต้นก็ต้องท่องสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสี่เป็นแปดท่องไปท่องไปต่อไปจําได้ พอจำได้พอเห็นถามปั๊บตอบได้เลยสองคูณแปดได้เท่าไหร่สิบหกเลยไม่ต้องมานั่งคิดเอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปมองเห็นร่างกายก็เห็นพรบเลยสามจุดสองอาการเลยเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆอแล้วมันก็จะได้ไม่หลงไหลข้างใครกับร่างกายไม่อยากได้ร่างกายใครมาเป็นแฟนอยู่คนเดียวดีกว่าดีก็อยู่กับผีเอ แล้วก็เป็นผีอยู่แล้วเพเอาผีมาทําไมร่างกายเราก็เป็นผีร่างกายเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วยังไปเอาผีมาเป็นเพื่อนอีกนะอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขานี่คือการพิจารณาพิจารณาตอนที่ออกจากสมาธิแล้วอย่าตอนอยู่ในสมาธิจิตนิ่งสงบห้ามพิจารณาโดยเด็ดขาดถ้าพิจารณาก็อย่าไปนั่งสมาธิมันเสียเวลา ก็พิจารณาใช่เลยเหมือนคนนอนหลับแล้วก็าไปปลุกให้ก็ตื่นเ ย, ยังไงไม่อนอนไม่ดีกว่าเออตื่นขึ้นมายิ่งหงุดหงิดใหญ่ให้เขเอให้เขาพักให้เต็มที่ให้จิตพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพอจิตพักเต็มที่แล้วจิตจะถอนออกมาเองจะเริ่มคิดพอคิดแล้วนั่นแหละตอนนั้นต้องเอามาใช้ให้มันคิดไปในทางปัญญาต่อไป คําคถามต่อไปนะคะจากคุณเอ๋ออรไทยค่ะกราบพระอาจารย์จะทําอย่างไรที่จะระงับความโกรธได้เจ้าคะ่ะให้ไม่เกิดความโกรธเลยถ้าต้องการระงับแบบถาวรก็ต้องหยุดสาเหตุของความโกรธเหตุ <c oughs> ที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยาก ใ, ให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราพอเขาไม่ทําเราก็โกรธพอเขาไม่ตามใจเราเราก็โกรธน งั้นถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าอยากเอาให้ยินดีตามมีตามเกิด iad. เขาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ pumped. แล้วเราก็จะไม่โกรธใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้เขาเป็นสรรับประรดพอเขาไม่เป็นสับประรดตามที่เราอยากเราก็โกรธขึ้นมาเขาไม่ดีอยากให้เขาดีกับเราพอเ็าไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะโกรธเลยก็อย่าไปอยากกับอะไรอยากแล้วเดี๋ยวต้องโกรธเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็ใช้สติหยุดชั่วคราวก่อนเวลาโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่ทาให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปพอจะโกรธใหม่ก็พุโทโธใหม่ จก า, าจะหยุดควาามอยกได้คำถามต่อไปจากคุณเจนนะคะโยมีเรื่องของคำปรึกษาและแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักอายุ84ปีมีอาการทานน้อยจึงให้ทานบ่อยๆแล้วอึดอัดไม่อยากทานเอาแต่นอนพอหมอบอกเจะาะไขสันหลังและตัดชิ้นเนื้อตรวจจึงจะรู้ ว่าเป็นมะเร็งซึ่งหมอแก่มากแหลร่างกายวางยาสลบอาจจะไม่ฟื้นมีอาการไตเสื่อมคือคุณแม่ไม่ต้องการรักษาต้องการกลับบ้านเพราะไม่ต้องการทรมานจากการรักษานั่นหมายความว่าในที่สุดแม่ต้องตายโยมอยากทราบว่าถ้าลูกทำตามความต้องการของแม่เพื่อให้แม่ทุกข์แต่กายแต่ใจเป็นสุขเพราะลูกทำตามต้องการจะถือว่าลูกทำบาป ทำมาตุคาหรือไม่คะอ๋อไม่หรอกนะฮะเราต้องตามใจคนคนไข้ร่างกายเป็นของคุณแม่ไม่ใช่ของเราคุณแม่ต้องการทำอะไรกับร่างกายก็เป็นเรื่องของคุณแม่การที่ไม่รักษานี้ไม่ได้เป็นการทำการฆ่าถ้าเอายาพิษกินเข้าไปเนะียถึงเรียกว่าฆ่าแต่ถ้าให้อยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เพราะรักษาก็รักษาไม่ได้อยู่แล้ว อย่างนี้ไม่บาปนะควรจะตามใจแม่นะอย่าไปตามใจเราอย่าไปบังคับแม่นะเพราะจะทำให้แม่ทรมานไปเราไม่ได้ทรมานไปกับแม่เวลาแม่ต้องผ่าต้องตัดแต่ความอยากของเราบางทีอยากให้ท่านอยู่เลยต้องบังคับให้ท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องถามท่านว่าท่านต้องการอะไรยกเว้นว่าท่านบอกอยากตา ย, อยาบอกไม่ได้ อกว่าช่วยให้เอายาพิษให้หน่อยฉีดยาพิษให้หน่อยทำไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากรักษาได้อยู่ไม่เป็นไรเหมือนไม่อยากกินข้าวก็ไม่ต้องบังคับให้กินเดี๋ยวก็เขาไม่หิวเขาจะกินได้ยังไงคนเราธรรมดาไม่มีใครไม่อยากกินข้าวหรอกที่ไม่อยากเพราะ่มันกินไม่ลงเราจะไปบังคับให้เขากินทำไมน่างกายมันไม่ยอมรับอาหารแล้วคำถามข้อสองจากคุณเจนนะคะ เมื่อคุณแม่ไม่ไม่ได้ทานแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการทรมานแต่และถามว่าอยากหาหมอไหมจะรักษาไหมก็ยังยินแยินว่าไม่ไปโรงพยาบาลถ้าลูกไม่นำไปใส่สายอาหารแปลว่าแม่จะต้องตายเพราะอดอาหารถือว่าลูกทำมาตุคคาดหรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าต้องนำแม่ไปใส่สายอาหารใช่ไหมคะแปลว่าลูกไม่ทำตามความต้องการ แม่ทำให้แม่ทรมานก่อนตายจิตไม่สงบและถูกขัดใจพระอาจารย์ช่วยตอบปัญหาแสงสว่างโยมด้วยค่ะว่าควรทำอย่างไรจึงถูกต้องตามธรรมก็ตอบไปแล้วไงเมือ่อกี้ก็อย่าแม่ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินไม่ต้องให้อาหารเป็นเรื่องของแม่ไม่บาปแม่ก็ไม่อยากกินก็ไม่ต้องการอาหารกินไม่ลงอย่าไปทรมานเา อให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่บาปนะตามตามใจแม่แม่ต้องการจะให้ทำอะไรไม่ทำอะไรถ้าไม่ผิดศีลก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้บอกให้ช่วยอุดจมูกให้แม่หน่อยอย่างเี้ยก็ไม่บาปแต่ถ้าแม่บอกให้ช่วยอุดจมูกนี่ก็บาปถ้าไปทำตามที่แม่บอกค่ะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ อยากขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายวิธียกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อเข้าสู่ความว่างแล้วให้คิดพิจารณาธรรมหรือถอยออกมาอย่างไรคะก็นี่ก็ตอบไปแล้วมข้อหนึ่งเนี่ยพอจิตว่างก็จะไปพิจารณานั่งททบเป็นแทบตายเพื่อให้มันว่างพอว่างแล้วไปทำให้มันไม่ว่างทาไมเวลาว่างก็ปล่อยให้มันว่างไปมันสงบมันว่างก็อย่าไปยุ่งกับมัน ให้มันถอนออกมาจากความว่างความสงบก่อนพอมันเริ่มคิดแล้วค่อยมาพิจารณารมต่อไปอย่าไปพิจารณาตอนที่นั่งสมาธิคำถามต่อไปจากคุณจงซีนีกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิดูลมสักพักรู้สึกเงียบได้ยินเสียงลมหายใจชัดขึ้นทั้งที่ไม่ได้หายใจแรงแต่อย่างใดตัวเบาขึ้น ถือว่าอยู่ในระดับไหนคะเมตตาอธิบายด้วยค่ะก็มีสติไงในระดับมีสตินับรู้การลมหายใจได้อย่างชัดเจนใจไม่ได้ไปที่อื่นก็ดูไปต่อติดตามดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมกำลังเข้าลมกาลังออกแล้วก็ไม่ต้องตามลมเข้าลมออกให้อยู่ที่จุดเดียวเยอะจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วจ ะ, จะปล่อยลมลมก็จะหายไปจากความรู้สึก เลื่อแต่ความว่างความสงบคําถามจากคุณวรนนากราบภะอาจารย์มีคนเขาบอกว่าเขาบรรลุถึงขั้นสกิทาคามีเป็นคารวาสหญิงแล้วแต่เรายังมีความคลางแคลงใจถ้าเขาบรรลุจริงจะเป็นการล่วงเกินพระอริยะจะเป็นบาปไหมคะแล้วเราควรทําอย่างไร อ, อ๋อเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ เป็นเราก็ทําเราก็อย่าไปทําบาปก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นพระอริยะหรือคนธรรมดาไปทําบาปมันก็บาปเหมือนกันยังการเป็นพระอริยะของเขานี้ไม่ได้ทําให้เราต้องไปทําอะไรพิเศษเราก็เคยเคยรู้จักกับเขาอย่างไรเคยปฏิบัติกับเขาอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นไป เ, เพราะนี้เป็นเรื่องของภายในใจเข า, เามันส่วนภายนอกนี้ เราต้องเคารพกฎกติกาของสมมุตนะิถ้าเขาเป็นพี่เราเราก็ต้องเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นพี่ถ้าเขาเป็นน้องแล้วเขามาเป็นพระอริยะเขาก็ยังเป็นน้องเราอยู่นะเราก็เราก็ทำเราก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับตอนที่เขาไม่ได้เป็นพระอริยะนะเราก็ยังถือว่าเขาเป็นน้องอยู่เนอะ็นเรื่องความเป็นภายในใจของเขานี้ไม่ไม่ไม ไม่เป็นตัวประเด็นที่เราจะมาใช้ในการที่จะมาปฏิบัติกับเขานอกจากว่าเราเราเราเชื่อว่าเขาเป็นจริงๆแล้วเราศรัทธาในตัวเขาเพราะเราอยากจะเรียนรู้จากเขาเราถือเขาเป็นอาจารย์อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะทำความเคารพกับเขาทั้งๆ ท, ท, ที่เขาอาจจะเป็นน้องเราก็ได้เช่นในสมัยพุทธกาลมีพระเทรบวชมา เรียนพระไตรปิฎกจนจบแต่ไม่ได้บรรลุเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปได้ไปไ ป, ไปพบกับสา ม, มเณรที่เป็นผ้าอารหันต์ก็ไปฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์ก็เลยต้องรับใช้สา ม, มเณรเขารบสา ม, มเณรเป็นลูกศิษย์สา ม, มนเนรแต่เพราะว่าท่านเคารบท่านเชื่อว่าสา ม, มเณรนี้เป็นผ้าอารหันต์สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ท่านได้เป็นผ้าอารหันต์ได้ ท่านก็เลยลดตัวของท่านจากเป็นพระเทเรซาบทมาหลายสิบพรรษามาเข้าลบกับสัมมเนนเพราะว่ายกท่านให้เป็นอาจารย์อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆได้ถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นพระอริยะแล้วเราเป็นปุถุชนเราอยากจะนับถือเขาก็ได้แต่เรารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดเข้ามาหลอกเราแล้วจะทํำยังไง เขาหลอกให้เรามาเคารพเขาทั้งๆ ท, ที่เขาต่ํากว่าเราเขาควรจะเคารพเราอย่างนี้ออันนี้ก็ต้องต้องดูต้องดูให้แน่ก่อนว่าเขาเป็นพระอริยะอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้เราก็ดูไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามก็รู้ไปเฉยๆไม่ไม่ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อเพราะไม่รู้จริงว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า เราก็ปฏิบัติเกับวขาเหมือนเหมือนเดิมเราเคยปฏิบัติเกี่บเขาอย่างไรเราก็ปฏิบัติกันไปเหมือนเดิมคำถามต่อไปจากคุณปุ๊กกราบนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามนะเจ้าคะคนที่เจ็บป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหมายถึงเป็นคนมีบุญหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้เร็วๆลูกเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็จะมองอย่างนั้นก็ได้แต่มันหมดเวรหมดกรรมเร็วมันก็เพื่อจะได้ไปรับเวรรับกรรมใหม่เร็วขึ้นถ้าตราบใดยังต้องกลับมาเกิดอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเร็วขึ้นจะได้มาแก่มาเจ็บมาตายเร็วขึ้นจะมองอย่างนั้นก็ได้เอาน้า แ, แต่เราจะมองบางทีคนที่อยู่นานเขาก็เป็นคนมีบุญความจริงจะดูว่าคน มีบุญหรือมีบาปนี่อยู่ที่ว่าเขาอยู่แล้วสุขหรือทุกข์มากกว่าไม่ใช่อยู่ที่ว่าเขาตายเร็วหรือตายช้าถ้าเขาอยู่แล้วทุกข์นี่ยมันแสดงว่าเขามีบาปมากแต่ถ้าเขาอยู่แล้ ว, ลวเขามีบุญเนี่ยเขามีเขามีความสุขมากนี่แสดงว่าเขามีบุญนั้นเขาจะอยู่นานอยู่สั้นมันไม่เกี่ยวกันกับเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาคำถามต่อไปจากคุณปียาภรณ์ พอเริ่มปฏิบตัติมีความสงบเพิ่มขึ้นตามสมควรค่ะเห็นตนเองตอนจงกับกองกิเลสแต่ยังไม่มีกําลังพอจะห้ามความอยากได้ทุกครั้งแต่เวลาทำความอยากแล้วก็รู้สึกผิดในใจจิตใจหดหู่ค่ะต้องแก้ไขไหมคะเพราะรู้สึกเป็นทุกเวลาทำตามความอยากหรือห้ามใจตนเองไม่ได้ค่ะก็เราต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพิ่มสติเพิ่มปัญญาให้มากขึ้น ถ้าเป็นมีดก็ต้องไปรับให้มันคมกว่านี้แล้วก็คนใช้มีดก็ต้องไปออกกำลังกายมากๆจะได้มีแรงใช้มีดมันต้องมีสมาธิและมีปัญญาสมาธิก็ต้องมีความสงบมากขึ้นนานขึ้นจะได้มีกำลังส่วนปัญญาก็ต้องหมั่นพิจารณาให้มากขึ้นเพื่อมันจะได้แหลมคมพิจารณาบา่อยๆจนเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์การทาตามความอยากเป็นทุกข์ ต่อไปมันก็จะเลือกทำตามความอยากได้คำถามจากคุณจงซีนีชอบล้างจานตำวัดหลังพระฉันข้าวได้อานิสงส์อย่างไรคะก็ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีกำลังกายมีเวลาเราก็เอากำลังกายเอาเวลานี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ไ้้เเหหมืือออนนนนกกับาารรใงงิททผู่ปปํะโยช์คําถามจากคุณชมพูดนดุชในการใช้ชีวิตประจําวันหากรู้ว่าขณะหนึ่งความคิดไม่มีรู้สึกว่างไม่มีความคิดที่เป็นอดีตรหรืออนาคตหากคุมใจให้ว่างให้ไม่มีความคิดใช้ความคิดในเวลาที่ควรคิดทําอย่างนี้วันหนึ่งจิตจะสามารถ รู้ความจริงได้ไหมคะก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นการจะรู้ความจริงได้ต้องใช้การพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันไม่มันเวลาจากเรามันจะทําให้เราทุกข์อันนี้ต้องใช้ความคิดพิจารณาถึงจะเห็นถ้าไม่พิจารณามันไม่รู้นั่ต้องดูดูเห็นอะไรแล้วดูเวลามันไม่เที่ยงมัน เกิดความรู้สึกยังไงกับเราเวลาสิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราดีใจหรือเสียใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังติดกับเขาอยูอ่เราไม่รู้ว่าเขาไม่เที่ยงเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอวันดีขึ้นดีเขาก็จากเราไปทันทีแล้วเราก็ทุกข์ขึ้นมา อันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเราถึงจะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปยึดไปติดกับของที่มันไม่เที่ยงคิดว่าจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่วันดีึ้นดีเขาก็จากเราไปไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเราก็เลยทุกข์อันนี้ต้องใช้การพิจารณาเราจะได้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างต่างต่อไปนี้เราต้องไม่ไปยึดไปติดกับเขาต้องไม่ไปคิดว่าเขาเที่ยง ต้องคิดว่าเขาจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเตรียมตัวเตรียมใจร่วงหน้าไว้ก่อนพอถึงเวลาเขาจากไปเราจะได้ไม่เสียหลักเราจะได้ไม่ทุกข์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีคารวาท่านหนึ่งบรรลุธรรมท่านบอกท่านนั่งสมาธิแล้วใช้สมาธิเผากิเลสออกเป็นชั้นๆจนหมดเวลาใช้พุโทโธ มันเนิ่นช้าดิฉันเลยบอกเพื่อนว่าไม่เคยได้ยินคำสอนแบบนี้จากครูบาอาจารย์เลยให้เขาลองพิจารณาดูดีๆค่ะดิฉันเข้าใจถูกไหมคะใช่สมาธิไม่สามารถที่กำจัดกิเลสตัณหาได้เพียงแต่ระ ง, งับไว้ชั่วข่าวเหมือนหินทับหญ้านะเวลาหินไปทับหญ้ายญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหินออกไปสักพักหนึ่มันได้น้าค้างน้าน้าฝนมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ วิธีที่จะทําให้หญ้าไม่งอกก็ต้องถอนรากมันถ้าถอนรากออกมาแล้วมันก็จะมันจะงอกขึ้นมาไม่ได้กิเลสก็เหมือนกันจะฆ่ากิเลสก็ต้องถอนรากของกิเลสรากของกิเลสก็คือความหลงความไม่รู้ตาลรักนี่เองไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตาลักกิเลสถึงอยากได้ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์คิดว่าได้มาแล้วจะเป็นสุขแต่ถ้ามองด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นสุขต้นสุขชั่วคราว แ้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอันนี้คือปัญญาจะได้ดแก้ความหลงได้แก้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักมันก็จะหยุดความอยากได้หยุดกิเลสตัณหาได้สมาธิเฉยๆหยุดไม่ได้ หยุดได้ชั่วข่าวกดมันไว้พอกำลัง ส, สมาธิหมดปั๊บมันก็ดันออกมาทันทีอยากทันทีพอนั่งสมาธิเสร็จออกมาอยากดื่มกาแฟอยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงละอันนั้นถ้าอยากจะหยุดมันก็ต้องบอกดูไปก็เท่านั้นดูแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ได้ดูก็ทุกจะได้เลิกดูได้ต่ อ, อไปก็ไม่อยากดูคำถามจากคุณสมทรง สวดมนุ์คุ้มครองปกป้องคุ้มครองปลอดภัยผมได้มาอย่างไงแต่ก็จําวลีนี้มาตลอดเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองใหม่ครับก็ไม่รู้แหละคุณเอามาจากที่ไหนมาถามเราทำไมเอาเอาเอ า, เอาอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันนะคําถามจากคุณจัมโบ้จะทราบได้อย่างไรว่าพระรูปนั้นเป็นพระอระหันต์แล้วก็รอให้เขาตายไปก่อนเนี่ แล้วดูกระดูว่ากลายเป็นพระธาตุหรือเปล่าทำไมเช่นนั้นก็ให้เขาสอนเราวิธีเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงแล้วเราก็ไปปฏิบัติตามที่เขาสอนแล้วถ้าเราได้เป็นพระอรหันต์ตามที่เขาสอนก็น่าจะเชื่อได้ว่าเขาก็ต้องเป็นพระเลยอรหรันต์ถึงจะสอนเราได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพอสอนให้พระสาวกเป็นพระอรหันต์เขาก็เขาก็เชื่อว่าพุทธเจ้านี้ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอก็มีสองวิธี ศึกษาจากเขาแล้วปฏิบัติตามที่เขาสอนถ้าบรรลุได้เหมือนที่เขาบอกก็แสดงว่าเขาก็ต้องเป็นพระอรหันต์หรือแม้เช่นั้นก็ต้องรอให้เขาตายแล้วก็ดูกระดูกของเขาว่ากลายเป็นพระธาตุหรือเปล่าถ้าเป็นพระธาตุก็แสดงว่าเป็นพระอรหันต์แต่ที่ไม่เป็นก็อาจจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะบางทีเวลาที่จะใช้พอกจิตพอกร่างกายให้เป็นธาตุนี่มันอาจจะมีน้อย ให้มารู้เป็นพระหลานได้ไม่กี่วันก็ตายไปก่อนเวลาที่จะฟอกนี่มันมีน้อยมันต้องใช้จิตที่บริสุทธิ์จิตของพระหลานฟอกกระดูกให้เป็นพระธาตุทิฏฐิเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด